กระท้องกันทุกวันโมโกราชเป็นสิทธิ์ของสำนักหนึ่งเป็นสำนักใหญ่มากอยู่ทางใต้ของประเทศอินเดียพอเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นรูปศิษย์ก็ครังแครงใจในอาจารย์ของตัวเองได้ยินข่าวว่าเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาทางภาคเหนือ ก็เลยชวนกันไปสิบหกคนไปเพื่อจะไปดูก็เจ็จจริงว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าทีนี้ก็ลาอาจารย์ของตัวเองอาจารย์ก็ปลูกปัญหาให้คนอสงข้อสามข้อเชื่อว่าโสระสาปัญหารวมแล้วทั้งหมดโสระสาปัญหา โซลสาแปลว่าสิบหกมานพที่บุคนลนั่นแหละไปถามปัญหาเสร็จแล้วก็ลาอาจารย์เจว่าอาจารย์สนใจอาจารย์สัญใจอาจารย์สัญใจนั่นจะมีลูกศิษเป็นร้อยเป็นพันพอลูกศิษย์มาลาว่าได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วทางภาคเหนืออ ของประเทศอินเดียก็อเอาไปเถะเราอยู่นี่นะไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนกับว่าลูกศิษย์ที่ฉลาดฉลาดไปหมดไปหมดทีนี่อาจารย์สนใจก็ถามว่านี่พวกเธอรู้ไหมว่าคนโกกับขอโกอันไหนมากกว่าลูกศิษย์ก็ตอบว่า คนโกะมากกว่าเอออย่างนั้นพวกเธอไปแต่เราจะอยู่กินที่นี่แหละเพราะว่าคนโง่เหมือนกับคนโคคนฉลาดเหมือนกับกโกโค่ลองคิดให้ดีๆที่คนโง่มันมากในโลกนี้ที่มันหลงวัตถุเนี่ยมีมากมายเหลือเกินเพราะหลงวัตถุกันทังนั้นน้อยมากที่ไม่หลง ที่นี้เขาโคมันมีแก้สองเขาเราจึงเห็นว่าพระนิตรละกันอยู่เพราะว่าไปหลงในขนโคให้เรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะดับทุกข์พระไม่เอาหรือว่าจะมีบ้างกดน้อยมากพระไม่เอาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ให้กขดัะสอนคนอื่นเพื่อดับทุกข์ นี่แลละคือที่วัดไหนสำนักไหนถ้ามีคนมากเลยจะเพิ่งเชื่อแล้วก็ถ้าจะเชื่อก็ต้องเอามาปฏิบัติก่อนคือธรรมะนี่เราพิสูจน์พิสูจน์ด้วยการอ่านพิสูจน์ด้วยการฟังเพราะายังไม่พอ ต้องเอามาพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติแต่ถ้าคนนั้นก็รู้บ้างแล้วแม่ฟัง ก, ก็ก็รู้แล้วรู้แล้วเหมือนระสังกนายกองค์ที่หนึ่งวายานที่ไปประเทศจีนไปถึงนั่งฟังใต้แถวเป็นยังไงจันทีสักเข า, ารู้แล้ว พระองค์นี่ติดฌานคือติดสมาธิบางที่ก็ถูกบ้างก็นั่งไปยักหน้าไม่เอาแล้วนี่แหละก็รู้แล้วอย่างนั้นก็รู้แล้วเหนไหมจากนั้นอาจารย์สันใจนั่นคือฤาษีทั้งหมดเลยติดฌานดังนั้นติดฌานกันดังนั้น ผู้ที่ทำสมาธิทำสมาธิบอเป็นสมาธิความสงบก็ติดคือทำไม่มีกรูบาอาจารย์ไม่มีใครแนะนำเป็นสมาธิไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรแต่ว่ามันไปตามลำดับแต่ต้องยกสมาธิขึ้นจูวิปัสสนาคือพิจารณานั่นเอง ที่นี้ต้องหนักแน่ในการพิจารณาเราต้องเป็นนักวิจัยต้องมาพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติแล้วดับทุกข์ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราไม่เอาแา่นั้นคำว่าว่างว่างว่างว่างเนี่ยประชาชนคนโง่คนหลงทั้งหลายพอได้ยินคำว่าว่างเขาก็ เข้าใจว่างป่าจากคนคือว่างไม่มีอะไรที่ตรงนี้ว่างอยู่เลยนั่นว่างป่าจากคนดังนั้นเขาเข้าใจกันอย่างนั้นอย่างนั้นทางนั้นจึงยากยากผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยน้อยมากท่านอาจารย์พุทธตาตั้พนพูดเรื่องความว่างท่านบอกว่าตัานจะพูดสักสิบปี ได้ทักคนหนึ่งก็พอไม่ต้องมากมันก็ขยายออกไปเองเี่สิบปีต่้งตั้งไว้อย่างนั้นเลยใครขวังก็ควางกันไปใครปฏิบัติก็ปฏิบัติกันไปใครไม่ปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติกันไปถ้าไม่เข้าใจแล้วออกมาปฏิบัติไม่ได้ต้องทําความเข้าใจเข้าใจเข้าใจกับความว่างทีนี้มานก สิบกคนนั้นมานุบหมายถึงว่าคนหนุ่มๆลูกสิต์ของจฉลิชัยนี่ยก็ไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าถามๆๆเรียงหน้ากันเลยสิบกคนแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือปัญหานี้พระพุทธเจ้าเลยขยักเอาไว้ขยักเอาไว้มกราชเนี่ยให้ถามทีหลังเ็าหมด เพราะว่าสำคัญมากส่วนอย่างอื่นเนี่ยข้างๆกูกูดังนั้นเลยสติคืออะไรอะไรอะไรเนี่ยข้างๆกูกู <c oughs> แต่ว่าโมกราชพระพุทธเจ้าขอยากไว้คนหลังสุดโมกราชก็เลยตูนถามว่ากาแต่พระองค์ผู้เจริญ ในนี้พูดคือพันเต่ตาาแต่พระองค์ผู้เจริญนั้นพันเตชนจะโตโลกังอเวกัตถุโมกราชาสตาสโตอัตานุติติงโอหัดจากเอวังมัด จ, จุตดตโรธิยาเอวังโลกังอเวกันตังมัด จ, จุราชานัปสตินี่ภาษานี้เราก็ทิ้งไม่ได้ เพราะเป็นต้นฉบับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเนี่ยแล้วก็ปาช้าไทยก็แปลเป็นปาช่ายก็ปาช้าไทยก็ว่าทำยังไงอย่าให้มัจจุราชมองเห็นเรา มัจจุราชมากระ่ราชีวิตของเราไปได้นี้มัจจุราชได้ทีนี้ปาษาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นคำตอบของพระกุธเจ้าว่วาสุญญโตโลกังสุญญโตก็คือสุญญาตานั่นแหละสุญญโตโลกังอเวกัสูโมกราชา ส, าสตาสโตอัตานุติติงิงโอจัยวังมัจจุตตารติยา เอวงโลกังเอเวกันตังมัจจุราชานปัจจติ ด, ดูก่อนโมกราชท่านจงมีสติสติตัวนี้ไม่ใาณสติตัวเดียวนักเป็นสติที่พ่วงปัญญามาเป็นแถวเลยวิญใาณสติแียงระลึกได้มันต้องระลึกได้แลระลึกอะไรมาก็ระลึกปัญญาเนี่ยแล้วมาแก้ปัญหา ดูก่อนโมกราชท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างนี่เห็นหมท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างแล้วในโลกเนี่ยมันเต็มไปหมดพร้อมตั้งตัวเราเองดูก่อนโมกราชท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของวาง่างหลวงพ่อก็พูดว่าลักษณะมันวา่างยังไง สีสันมันว่างยังไงนี่ไม่มีอะไรคงตนรักอย่างหนึ่งไม่ว่าพืชหรือว่าสัตว์หรือว่าคนจนพระราชามหากรสัตร์ตอนที่เป็นใหญ่เป็นโตเหมือนกันทางนั้นเหมือนกันทางนั้นท่านจงมีสติมองโลกด้วยความเป็นของว่างมองลักษณะสีสันวัณนนะ มันก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงแต่มันต้องใช้เวลาใช้เวลานีน่้บางทีพระพุทธเจ้าตอนที่นันทะนันทะนันทะน้องชายของพระองค์คนละแม่กันอะไรตอนที่นันทะจะบวชจะแต่งงานอยู่แล้วก็นิมนต์ พระพุทธเจ้าไปในงานแต่งด้วยก็ได้เรื่องเลยทีนี้ไปงานแต่งงานทะก็การังเจ้าบ่าวเจ้าสาวกาลังที่จะอรับแขกแต่งอไหว้ผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าอาจารย์ไม่ได้ไปจัดในงานหรอกเขาก็บรรจุใจบาตรใจบาตรใจบาตร พอใช่บาทเสร็จแล้วก่อพระองค์ก็กลับเลยไม่เหมือนกันในสมัยนี้เนี่ยในงานแต่งพระก็ต้องไปฉันฉันที่บ้านเขางานตายก็ไปฉันที่บ้านเขางานอะไรก็ไปฉันที่บ้านเขานี่มันเป็นอย่างนั้นแค่นั้นวแต่พระพุทธเจ้านี่พระองค์ไม่ฉันออามาฉันบอกว่าอ๋อเนี่ยนันตะก็ อ, อนุนอะไรนันตะนันตะ เธอจงถือบาทของเราไปด้วยก็ถือสะายบาทไปพอถือบาทไปถึงหน้าทุ่มประตูนันทาก็คิดว่าคงจะพระ อ, องค์คงจะเอาบาทที่ตรงนี้รับจะเดินเอาไปเองไม่ใช่ผิดหวังเดินไปเดินไปเดินไปจนเข้าวัดเชตวัน พระพุทธเจ้าก็ไม่รับบาเด้ยจนไปถึงที่ฉันอาหารประเก็นแอบพระองค์ก็เลยเทใท่ใทนันตะฟังแต่นี้พระองค์ก็จายฤทธ์จายฤทธ์ให้เห็นเจ้าสาวที่อยู่ในวังนั่นแหละ พอเห็นเจ้าสาวพระองค์ก็เลยนรมิตถ้าเห็นนันทะนั้นเห็นนางอัปรสรเห็นพวกเทพที่สวยงามสวยงามสวยงามที่สุดเป็นไงนันทาสวยไม่เจ้าสาวของเธอไม่สวยเลยพอพอเห็นพวกเทพพวกเทวดาพวกอะไรสวยสวยสวยสวยสว ย, สวยพระองค์ก็เนรมิตอีก เกิใช้ปัญญานั่นแหละใช้พลังจิตแล้วก็ใช้ปัญญาในพวกไอ้สวยๆเหล่านั้นก็นางแบบอย่างนั้นแล้วทําให้เกิดอุบัติเหตุลม้มจักดิน้นจักงอแล้วก็ตายที่ตรงนั้นเนื้อหนังเน่าเปือ่อยนอนขึ้นนี่นั น, น, นตาเลยเบื่อหน่ายเลยโอ้นันตาเบื่อหน่ายกัน ขอบวชทนีนี้นั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ฤทธิใ์ให้เป็นประโยชน์พระองค์มีฤทธิ์ก็ต้องใช้ฤทธิ์ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ถ้าว่าอย่างนั้นก็จะไม่ได้อะไรเลยทีนี้พระพุทธเจ้าพระเจ้าใจสิท ธ, ธิฐานนั้นเป็นลูกของผู้พี่แตนันทะนั้นเป็นลูกของผู้น้อง เป็นลูกของของน้องจากแม่นั่นแหละน้องจากแม่นั่นนี่ความสวยงามทีนี้ก็ปฏิบัติปฏิบัติจนเห็นความว่างนั่นแหละภาตอย่างนี้แล้วไม่ยากแล้วคือในอวัหญิงคนนั้นล้มลงไปนอนเกลือกกลิ้งตาย น้ำเน่าน้ำเหลืองไหลเธอก็จมดินไปเลยนี่คือเห็นท้งอนิจจังเหนน็นอนัตตาเห็นสุญญาตาก็าเลยต้องรีบปฏิบัติเด่อย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนบกราตท่านจงมีสติมองโลกโด้วยความเป็นของว่างเราถ้าเราทำจำนานของสวยของงาม พอเห็นแล้วก็ว่างว่างทันตีเลยจะว่างทันตีผู้หญิงที่สวยที่สุดนางงามจั ก, กรวาลหนึ่งช<อ>ไม่เห็นตรงไหนมันสวยเลยแม้แต่ผู้หญิงสวยๆที่ก็ประกวดประจัญกันนะหลวงพ่อดูแล้วมันสมเพศไม่เห็นสวยเลยผู้ใชายที่รอๆเหมือนกัน เราก็เห็นเป็นของว่างไปเป็นของว่างเพราะเพราะว่ามันว่างกับหนึ่งลักษณะของคนนั้นของกิ่งนั้นของวัตถุนั้นมันว่างว่างโดยลักษณะมันเปลี่ยนแปลงทีนี้เราก็มองเขาก็ไปข้างใน่จิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมันว่างนั่น หนึ่งลักษณะของวัตถุว่างสองลักษณะของจิตเกิดดับว่างนัน่นก็ว่างจากัวตนนั่นหนคือว่างว่างจริงไม่ว่างที่ตรงนั้นเรามองลงไปในบาตเห็นปลาเห็นข้าวเห็นแกงเนื้อแกงหมูผัดนั่นผัดนี่อ้าวว่างดังนั้นเลย น้อมองไว้ว่างทั้งนั้นเยิยเห็นเป็นของว่างไม่ใช่ของมีสีสันมันก็ว่างเพราะมันเปลี่ยนจากนี้เป็นอะไรแล้วจากที่มันมาอยู่ตรงนี้ฝักนี่มันเป็นยังไงปลามันเป็นยังไงเนื้อมันเป็นยังไงแล้วมาอยู่ในบาตพอมาอยู่ในบาตเราก็จัดการแล้วเสก ยะตาปัจจยางปวัตมานางังตาดุมาเตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักวัฒน์ตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนงนิสเห็นไหมมันเป็นไปตามเรื่องตามราวของมันเห็นว่ามันไม่มีตัวตนจริงนี่เอาเห็นเป็นของว่างไปเห็นเป็นของว่างเพราะนั้นเราฉันอาหารหลวงป้าก็บอกตั้งแต่ครั้งที่บวชกมาใหม่ๆเนะ สักแต่ว่าธาตุว่างคำที่หนึ่งสักแต่ว่าธาตุว่างแล้วก็ว่างว่างว่างวงว่างวางว่ากลิ่นก็ว่างสีสันมันก็ว่างอะไรมันว่างหมดนี่เลยคือว่างป่าสาธรรมภาษาธรรมชาติภาษาธรรมชาติมันว่างอย่างนี้เนี่ยมันว่างเป็นกองว่างแต่นั้นมันเข้าใจยาก แต่ต้องคนที่สนใจในการปฏิบัติทำจริงนี่ก็ปฏิบัติจริงด้วยการพิสูจน์วกาเห็นเห็นกับตาหน่อยจะเห็นกับตาเนื้อตาเนื้อตามันขึ้นไปหาก้าวไปหาตาน่อยตาน่อยคือตาปัญญาพอตาน่อยเห็นก็แวบจบแวบจบนะีไม่ว่าเป็นรูปไม่ว่าเป็นเสียงไม่ว่าเป็นกลิ่นเป็นรส เป็นสิ่งที่มาสัมผัสทางจิตอารมณ์ต่างๆพอสัมผัสแว็บจบแวบจบเวบจบนั่นแหละสติดูก่อนโมก ร, ราชท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างนี่เห็นไหมพระองค์จัดกับโมก ร, ราชดูก่อนโมก ร, ราช ท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างมองทั้งมีทั้งสติมีทั้งปัญญาที่จะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นถอนอัตตาโนทิทิถอนจิตคือความรู้สึก ต, ตัวนั้นว่าไม่ใช่กูจิตตัวนั้นว่างว่างจากความเป็นตัวกูของกูมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับ จิตเองก็เกิดดับเกิดดับเกิด ด, ด, ดับอย่างนั้นแต่มันมีไม่มีตัวตนต้องเห็นด้วยปัญญาที่มันแหลมคมปัญญาทื่อๆนะมันมองไม่เห็นหรอกท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างตอนอัตตานนทิฏฐิตัวกูนะั่นแหละอัตตานุทิฏฐิตัวกูตอนที่หลวงพ่อเรียนไ ป, รปรเรียนสามประโยคพอแปลคาถานี้ หลวงพ่อก็ติ๊กเอาไว้ติ๊กเอไ ว, ว้ว่าอัตานาทิติทิง้งคืออัตานาทิติหมายถึงตัวกูเนี่ยตัวกูเอ๊หลวงพว่อคิดได้อย่างไงเนี่ยก็เรียกว่ามีบา ร, รมีอะไรอย่างนี้เอ๊ะคิดได้อย่างไงอัตานาทิติคือตัวกูนั่นเองตัวกูอืมออื ถอนตัวกูออกไปเสียมัจจุราชก่อนตายจะมองไม่เห็นท่านเห็นัหมมัจจุราชจะมองไม่เห็นท่านผู้เห็นผู้มองโลกรูปอย่างนี้นั่นเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราไม่กลัวตายแต่เรารู้อย่างนี้เราจะไม่กลัวตาย ความตายจะทำอะไรเราไม่ได้ความตายคือความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของธาตตามธรรมชาติและความรู้สึกก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งดัะนั้นความเปลี่ยนแปลงอย่างนีง้ <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดาเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดากลายเป็นธรรมดาไป น, นี่แหละ ถ้าใครได้คาถานี้ไปเอาไปปฏิบัติแล้วก็เห็นจิตโดยความเป็นของว่างมองโลกโดยความเป็นของว่างเนี่ยว่างหมดเน่ยมันมีนั่นแหละแต่ว่ามันว่างหมดเพราะว่าจิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันนได้จะมันจะไม่อะไรทีเนี้เพราว่าเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันมีก็มีค่าถ้ากับว่าไม่มีเพาเราไม่เข้าไปยึดถือมัน เขาเอาเบ่งพันไม้กับสอบหนึ่งพอดู pattern, like อ้กระดาษดังน some ั้นเลยนั่นเรามองอย่างนั้นมันอยู่รวยกูรวยกูกูบ้าโอไว้ยกูบ้าแล้วเนี่ยอย่างงั้นไงนั่นก็กระดาษที่เขาเอามาแลกเปลี่ยนกันอะไรกันเราจะทําอะไรของเราไม่มีเราก็ไปซื้อของเขามาอะ้รอย่างนี้มันแลกเปลี่ยนกันมาแต่ว่ากระดาษนั่นแหละเนี่ย เนี่ยมันก็เป็นของว่างเมื่อเรามายึดมั่นเทอยมั่นมันกระดาษนั่นก็เป็นของว่างใช้มันเป็นประโยชน์นั้นก็พอแล้วแค่นั้นเนี่พอแล้วนี่นี่เนี่มองดูทุกอย่างเป็นของว่างเป็นของว่างท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างตอนอัาตานุทิติความเห็นว่าตัวกูออกไปเสียเมื่อนั้น มัจจุราชคือความตายอมองไม่เห็นท่านมองเห็นยังไงจิตว่างจากกลัวตนจิตเลิกความยึดมั่นถือมั่นแล้วมองเห็นยังไงอะความตายก็เข้ามาถึงทำอะไรเราไม่ได้เพราะตัวเราไม่มีนี่ถ้ากับว่าหายตัวได้อายตัวได้คือจิตเนี่แหละมันไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร เนี่ยจริงถ ung สุดในพระพุทธศาธสนาของเรามีเท่านี้เนี่ยที่เราปฏิบัติเน่ยเพื่อให้รู้เรื่องนี้ปฏิบัติเรื่องนี้แล้ว เ, เรื่องนี้แล้วไปแก้ปัญหาะทีนี้ไอ้ความทุกข์มันจึงจะจบเนี่ยความทุกข์มันไม่จบอยู่ก็อยู่ด้วยความทุกข์ตนทรมานอยู่กับความทุกข์นันไม่จบแต่ถ้าเรามีคาถานี้ไว้ไล่มัน กระจกงันผีแหงความไม่ว่างเราก็ต้องเอาคาถาว่างนี่เอาไปท่องกนไม่ได้เยวก็จำไม่ได้เอาติดเนื้อติดตัวไปใครยังไม่มีเดี๋ยวจะเอาจดไปเลยขึ้นต้นว่าอะไรแล้วสุญญโต ชนญาโตโลกังชนญาโตโลกังอาเวกัตสุชนญาโตโลกังอเวกัตสุมกราชะโมกราชะมกราชะ สัทธาสโตสัทธาสโตอัตตานุกิถิงอัตตานุทิถิงโอหัจ ja. ่ะอัตตานุติถิงโอหัจ่ะเอวังมัจุด โริยาเอวังมัดจุดตโรจิยาเอวังโลกังอาเวขันตังมัดจุราจานปัสสติ ภาษาบาลีอันนี้เป็นภาษาบาลีภาษาภาษาไทยก็ดูก่อนโมกราชท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างตนอัตตานุทิศทิของเล็บ คือความเห็นว่าตัวกูออกไปเสียถอนอัตตานุนทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวกูออกไปเสียเมื่อนั้นมัจจุราชจะมองไม่เห็นท่านผู้มองไม่เห็นท่านผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ ภาษาไทยครับไปท่องให้จํากันถ้าจํำอะไรมันจะเข้าใจถ้าไม่จําแล้วมันก็เข้าใจไม่เข้าใจคงจะไม่รู้กันว่าจํากับเข้าใจอจํากับเข้าใจตลวงพ่อท่องภาษาบาลีกันสามเล่มเรียนตอนแรกันถ้าเราไม่จำอะไรจะไม่เข้าใจ เขาต้องจำจำจำจำท่องท่องจำจำจำจำจำจำจำอย่างนั้นพอจำแล้วครูสอนเราก็เข้าใจอยที่เขาสอนเขาสอนแต่ภาษาคนครูสอนแต่ภาษาคนภาษาธรรมะ น, นี่ท่านก็สอนที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกนี่เป็นภาษาธรรมคือภาษาธรรมชาติ ภาษาจริงภาษานี sabes, yay, day, ่คือภาษาจริงแต่แต่แรกเมื่อเราไม่จำเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ได้ฉพราะนั้นการท่องการท่องแต่ว่าจิตว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างเราก็มุ่งไปที่จิตล้ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างเดินว่างว่างนั่งว่างว่างนอนว่างว่างทำงานว่างว่างนี่ ใน้วันอย่างไอ้ความความข้าวใจนะนจะปุ๊บลงมาทันทีพอข้าวใจแล้วมันก็จะแจ่มแจ้งออกไปเองเหมือ น, นกับว่าแสงสว่างจากดวงเทียนหรือจากเราเปิดสวิตช์ไฟสว่างหมดทั้งห้องเลยาำนะ น, นี่เราต้องจำก่อนข้าวใจตามมาทีหลังรู้แจ้งหลังสุด จำเข้าใจแล้วก็รู้แจ้งพอ ร, รู้แจ้งเห็นของจริงโอ้โตั้งโลกไม่เห็นมีอะไรเลยเราโ ง, ง่จริงๆกล้าไปยึดมั่นเดือมั่นมันแล้วก็มีความทุกข์นี่เนี่ยขาวสารคาถ า, า, านี้สุดยอดสุดยอดของพระพุทธเจ้าเลยอจบแค่นี้